ความทุกข์ก็จะนวดจะอีกรอบก่อนถามคําถามเลยค่ะไม่ต้องนะคะ่อตรงนี้มีใครที่มีคําถามตออยากจะสักถามทั้งนั้นอาจารย์นายจาหรือว่าอาจารย์ชัยก็จะส่งเสียงจากพื้นที่พบไมไปไม่ถึงหรือจะเดินมาถามข้างหน้าก็ได้นะคะไม่มีคําถามเลยจริงๆหรอคะได้ยินพ่อไก่หัวลอกเชา้าไม่มีคำถามทุกรอบมีถามกันบอกว่าก็องบอกว่าหมดคาถาม ยังไม่ยังเครื่องยังไม่ติดใช่ไหมคะเรียนถามอาจารค่ะเวลาที่นั่งสมาธิจริงเป็นคนนั่งไม่เป็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่บอกว่าต้องรู้สึกกลัวเนี่ยบางทีเรารู้สึกหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันให้เราไปกาหนดตรงไหนแล้วก็ต้องต้องต้องเหมือนจำกัดไปไหมคะว่าเหมือนกับอาจารย์เขาถือชอบจำกัดความคิดว่าเอออันเนี้ยมันคือคือรู้สึกอย่างนี้เหมือนเหเราพูดกับ พยายามที่จะไม่ต้องใช้ความคิดมากำกับไม่มีคำบริกรรมไม่มีคำอภุดโพแค่ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็รู้สึกตัวแล้วนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งจิตเราไม่หลงเข้าไปในอดีตอนาคตหรือไม่เข้าไปในความคิดเพราะถ้าจิตไม่เข้าไปในความคิดเนี่ย ก็เรยว่าจิตไม่อยู่กับเนื้อตัวนะฮะ่วนใหญ่เราก็คิดเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตหรือมีฉนั้นก็หลงเข้าไปในอารมณ์โกรธเศร้าแม้แต่ดีใจนะภาวะที่จิตเนี่ยมันกลับไมอ่อยู่กับเนื้อตัวอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นเองจริงจริงในแต่ละวันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตัวเป็นบ่ อ, บบอยแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องรู้สึกตัวปุ๊บเดียวหรือว่าเผลอเข้าไปในความคิดแล้วนะ พอมีความคิดมันก็เกิดอารมณ์ตามมาก็หลุดเข้าไปในอารมณ์มันก็แปลว่าถูกขังอยู่ในในความคิดและอารมณ์จิตมันไม่อยู่กับเนื้อตัวเพียงแค่เรารู้ทันความคิดและอารมณ์นั้นเนี่ยมันทีมันก็นจะกลับมาอยู่กับเ น, นตัวความสืบตัวก็เกิดขึ้นวิธีการง่ายๆคือว่าทําให้เราเนี่ยอยู่ความสืบตัวรือว่าทําอะไรนะ ท, ทําเชลงหยา อันนี้พูดถึงการทำความดีตัวใ น, วในชีวิตประจำวันด้วยแล้วพอเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาเราล้างหน้าเราถูฟันเราเก็บที่นอนนะเราทำอาหารทำครัวเราซักผ้าเราล้างจานแม้กร่กินอาหารเนี่ยเราก็ใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเดี๋ยวจะทำอะไรต่อ เ, เดี๋ยวกินข้าวเสร็จหรือจะไปทําอะไรหลายคนเนี่ยนะจะคิดไปแล้วตอนกินข้าวหรือจะไปทําอะไรเดี๋ยวจะไปสง่งลูกหรือจะไปทํางานเหรือไปประชุมให้ระวังความคิดนะ้นซะทำเจรนไอยา่างก็กินข้าวก็กินรวมทั้งไม่ต้องไปนั่งเล่นไลน์เฟสบุ๊กนะหรือแม้แต่ดูโทรทัศน์ฟังเพลงนะลองสุดแล้นเนี่ย ใจเราก็จะอยู่กับตัวแ ล, แล้วใจเราก็จะอยู่กับสิ่งที่เราทําแค่นี้แหละมันก็เป็นการฝึสร้างความสุขตัวได้ทําอะไรทำด้วยใจเต็มร้อยจะทำด้วยใจเครื่องชั่งกลางกินข้าวเนี่ยก็กินด้วยใจเต็มร้อไม่ใช่คิดโน่นคิดนี่เวลาอาบน้ำถูฟันใจเราก็อยู่กับการน้ำถูฟันเต็มร้อยเลยไม่ต้องแบ่งไปสามสิบนะ คิดถึงเรื่องงานอีกห้ิบไปคิดถึงเรื่องลูกมีคนหนึ่งนะเป็น c ีอโอซีอโอดิสนีย์ของเฟบซีนี่ยทุกเช้าแกดีนะทุกเช้าแกตื่นขึ้นมาเนี่ยตีสีแกจะออกกาลังกายขี่จักรยานจักรยานแบบจักรยานอยู่กับที่นะตอนที่ขี่จักรยานเนี่ยแกก็จะเช็คเมลไปด้วยนะแล้วก็ดูข่าวไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วย ก็แสดงว่าทำหลายอย่างพร้อมกันใจก็อยู่กับแต่ละอย่างนะแค่2ี่สาสิเซแล้วแก่ภูมิใจนะว่าอย่างนี้ดีใช้เวลามีประโยชน์แต่ว่ามันทำให้เป็นคนที่มีสติสมาธิยากัาตมาอยากจะแนะน้ท่าการสร้างของสุวานะทำด้วยใจเต็มร้อยแล้วคุณจะมีชีวิตเต็มร้อยพวกวันนี้เนี่ยผู้คนพวกวนี้ใช้ชีวิตเต็มร้อยใช้ชีวิตเต็ม้อ แล้วคุณพูดต้องใช้ชุด เ, เต็มร้อยแต่คุณจะใช้ชุดเต็มร้อยได้ไงถ้าคุณไม่มีชุดเต็มร้อยในทุกขนาดคนเราเนี่ยไม่สามารถใช้ชุดเต็มร้อยได้ถ้ามีชุดเต็มร้อยทําไม่ได้มีชุดเต็มร้อยคือว่าความรายใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยอันนี้คือการใช้ชีวิตประจําวันนะแต่เวลาคุณจะภาวนาก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปบริกรรมไม่ต้องไปเอาจิตไปแน่นแน่นที่ลมหายใจแน่ใจเวลายกมือก็แค่รู้สึกตัวว่า ว่ามือมันยกนะแต่ไม่ใช่ไปเพ่งที่มือถ้าเราถ้าเราทำถูเนี่ยมันจะเิดความสึกตัวโพร้อมแม่มือยกแต่ว่าเวลาคืนน้ำลายตาพิจตาก็รู้แต่ถ้าจิตเราไปเพ่งที่มือเนี่ยนะคืนน้ำลายหรือว่าระพิจตาก็ไม่รู้หรอกเพราะมันไปอยู่เฉพาะจุด การเป็นเฉพาะจุดเนี่ยมันจะไม่ทําให้เกิดความสุดโต่งทัวตัว อ, อันนี้พูดถึงวิธีการปฏิบัตินนะคุณจะตามลมหายใจก็ไนดะ้คุณจตามลมหายใจคุณก็ไปกําหนดติตที่ลมหายใจเบาๆแต่รู้สึกไม่ใช่แค่รู้สึกเฉพาะลมหายใจแต่รู้สึกว่าลมมันเคลื่อนผ่านร่างกายก็ ค, คือคุณรู้สึกทั้งตัวแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าลมมันคุณจะรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ลมชัดเจนเหม่อนว่มันเคลื่อนไหวแต่คุณจะไม่ได้รู้สึกเฉพาะลมแต่คุณจะรับรู้ทั้งตัว ไปด้วยอันเนี้ยมันก็เป็นการฝึกให้เกิดความสุขตัวโรคพร้อมได้ถ้าคุณใช้ลมหายใจแต่ว่าถ้าทำแบบร่าเทียมมันดีเขาถือว่ า, ามันเป็นการาเป็นการใช้มือนะไม่ว่าจะขยับมือหรือว่ายกมือหรือว่าการเดินตรงๆเนี่ยมันจะทําให้เราเจอความสึกตัวโรคพรอมได้ง่ายขึ้นโดยถ้าเราไม่ไปกําหนดเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ถ้าเราตามติเราอยู่แต่ใตัวเนี่ยมันจะรู้สึกตัวทุกขพร้อมแต่เบิยดปฏิาคือถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมแล้วเราจะใช้ชีวิตทำโลกเป็นโลกมแบบนี้มันดูเหมือนจะสวนทางกันหรือเปล่ามันไม่สวนนะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรม มันจะสวยกับชีวิตทั้งโลกไห ม, มทำให้เราทำงานได้น้อยลงหรือว่าโอไม่เลยนะเพราะว่ามันกับเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราปฏิบัติทำถูกนะเวลาเราทําการงานเนี่ยเราจะไม่ใช่ทําแต่งานคือไม่ทําแต่กิจเราทําจิตด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เวลาทํางานเนี่ยทําแต่กิจใจไม่ใจทําทําแต่กิตแต่จิตไม่ทําก็คือทําไปก็บวนไปทำไปก็บวนไ ป, ไ ป, นไปเพราะใจเนี่ยวางไม่ถูกเข้ามา ทำไปบนไฟเนี่ยหนึ่งคนทําก็ไม่มีความสุขสองงานก็อาจจะไม่ดีไม่สําเร็จนะเวลาทํา ง, งานเนี่ยคิด ถ, ถึงลูกเนี่ยปวงลูกแล้ลูกจะเป็นยังไงลูกอยู่ที่โรงเรียนเป็นยังไงลูกสอบเข้าได้ไหมเนี่ยถ้าทํำด้วยจิตแบบนี้นะแม้แต่แม้ตัวจะทํานะแต่ใจมันอยู่ที่ลูกนะมีความสุขไหมหนึ่งสองงานจะดีไหมกลับมา กลับมาที่บ้านอยู่กับลูกใช้ที่ใจอยู่กับลูกแต่น้อยเป็นนึกถึงงานเวลาอยู่เวลาทํางานนะทํางานใจเป็ถึงลูกนะเวลากลับมาบ้านนะอยู่กับลูกนะใจไป็น้ถึงงานเป็นนี่ไหมแล้วเวลาเราอยู่กับลูกแล้วเราคิดถึงงานเนี่ยเราเครียดนะและลูกจะรับรู้ความเครียดของเราไหมลูกก็รู้ลูกก็สงสัยคาว่าแม่ใจลอยหรืแม่กังวลใจหรือเปล่าแม่อยู่กับลูก แต่ว่าตัวอยู่กับลูกแต่ใจแม่เนี่ยไปคิดถึงงานนะเวลาก็เวลาที่อยู่กับลูกก็ไม่ดีไม่มีคุณภาพและเด็กก็ไม่มีความสุขด้วย <c oughs> แต่ถ้าเพียงแต่ว่าเรามีสติเวลาทำงานใจอยู่กับงานวางเรื่องลูกซะตอนนึกถึงถลูกไปก็ไม่มีประโยชน์ช่วยอะไรไม่ได้เราก็จะทำงานอย่างมีสมาธิ เกิดความสุขเกิดความเพลินสองงานก็สําเร็จได้ง่ายเพราะเรามีสมาธิไงเวลาเราอยู่กับลูกนะใจเราอยู่กับลูกเราหวังเรื่องงานเราก็อยู่กับลูกอย่างมีความสุขนะครับและความสัมพันธ์ของเรากับลูกก็จะดีขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะมันมีตัวอย่างหนึ่งนะซึ่งมันมันชี้เห็นชัดเลยไม่ทราบเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่านะอ่า อาตมามีเพื่อนนะเป็นเป็นนักบวชเซนแกเป็นอเมริกันนะแกเล่าว่าอาจารย์ของแกเนี่ยอาจารย์ของอาจานเนี่ยชื่อชุนเยวสสุกิดังมากในอเมริกาเพราะว่าเป็นคนที่สร้างวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาเมื่อปีพนะันหกร้อที่ซานฟรานซิสโกตอนที่อาจารย์ชุนเรีวเนี่ยเริ่มสร้างวัดเนี่ยนะแกก็หกสิบแลคนที่ปุ่สมัยก่อนตัวเลย นะแต่เวลาสร้างวัด น, นี่นะต้องขนหินขนเสาทําเองไม่ได้จางใทรโชคดีหน่อยมีลูกศิลป์ลูกศิลป์นี่เป็นอเมริกันอายุสิบเก้ายี่สพวนที่ต่อไปเนี่ยเป็นพวกที่เรียกเป็นพวกฮิตตี้อะที่ออกมาสแสวงหาศาสนาในอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็นในประเทศไทยลูกศิลป์เหล่านี้ก็ไปช่วยอาจารย์ชุนเดือ น, นขนหินคนอิฐนะผู้หญิงผู้ชาย ทำไปได้ครึ่งวันเหนื่อยอาจารย์ชุนเรียวยังทําได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็งงเลยอาจารย์ชุนเรียวนี่อายุมากนะแล้วก็ตัวเล็กทำไมทํางานได้ทั้งวันถามอาจารย์ทํำไมาอาจารย์ทําได้ทั้งวันอาจารย์ตอบก็ผมพักตลอดเวลานี่งงไหมนะอาจารย์ลูกศิษย์เป็นอาจารย์เนี่ยขนบินทั้งวัน แล้บอกวพักตัวเวลาได้ไงกายอะทําแต่จิตมันพักเข้าใจมหมจิตวางจิตไม่ได้คนถิ่นด้วยแล้วจิตก็ไม่ได้แบกความทุกข์ไม่ได้แบกความคาดหวังคนเราเนี่ยนะลูกศิษเนี่ยนะเวลาคนผิ่นนะตัวไม่ได้คนเยอะนะจิตมันก็แบกเลยเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จแบกบความทุกข์แบกบความคาดหวังนะแล้วขณะที่ ร่างกายมันเหนื่อยจิตมันก็ไปแบบไปยึดเอาความเหนื่อยของกายมาเป็นความเหนื่อยของกูนี่คือสิ่งที่จิต ท, ทำโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแม้รทั่งเวลาที่คุณนั่งนรงนี้แล้วเมื่อยเนี่ยนะหลายคนจะบอกว่าทุกข์เพราะเมื่อยขาปวดขาแต่มาบอกไม่จริงุณไม่ได้แค่ทุกข์ คุไม่ได้ปวดเมื่อยที่ขาใจถึงก็ทุกข์ด้วยส่วนใหญ่ใจก็ทุกข์ด้วยนะไม่ใช่กายทุกข์อย่างเวแต่คนไม่รู้คนไม่คิดว่าทุกข์เนี่ยเพราะปวดขาเมื่ยขาเพราะอะไรทำไมใจทุกข์เพราะใจไปยึดเอาความปวดความเมื่อยของขาเนี่ยมาเป็นความปวดของกูมันมีตัวกูเกิดขึ้นจิตมันแบกบจิตมันยึดลูกศิษย์ของขอาจารย์ชุมเรี้ยวก็เหมือนกันเวลาแบกหินนะี่ยนะ ตัวไม่ไแบกเดียวเจ็บมันก็แบกแบกความปวดความเมื่อยของกายมันก็เลยเหนื่ยทําได้ขึ้นมาจก็เหนือยแล้อาจารย์ชูเรียวเนี่นะเป็นตัวอย่างของการใช้เอาการปฏิบัติทำมาใช้กับการดำเนินชีวิตคือว่าทํางานได้สบายเลยทํางานได้มากกว่าคนอื่นนะแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยนะ เพราะนั้นเนี่ยตมาเชื่อเลยนะถ้าเราถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราปฏิบัติถูกนะเวลาเรามาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนทําให้เราทําได้ดีขึ้นจากที่เพื่อโรงงานก็อาจจะวุ่นวายเขทะเลาะ ก, กันเพราเขาเครียดกับงานเรากลับสงบนะความเครียดนะความยากของงานในภาษาของงานไม่ไม่ทําให้จิตใจเราวั่นไหวนะเพราะว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวาง เราทํางานเรามีสติทํางานด้วยความสุกตัวมีแรงแล้วกระทบนะมันก็ไม่กระเทือนหัวใจแล้วก็ไม่กระแทกมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ในในในในใ น, ในที่ทางานในบ้านดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาว่ามันไม่ได้ทําให้การปฏิบัติธรรมไม่ทําให้เราหลุดโลกนะมันไม่ทําให้เราหลุดโลก แต่มันทาให้เราอยู่ในโลกได้มีความสุขบางทีทางเซนก็เปลี่ยนมาว่าเหมือนกับลิ้นงูที่อยู่ในปากงูอปากงูที่มันอันตรายนะเขี้ยวกงูทั้งนั้นเลยแต่ลิ้นงูเนี่ยนะมันอยู่ท่ามกลางอันตรายได้โดยที่มาไม่ไม้ทุกเลยอันนี้หมายความว่าให้เราอยู่ในโลกนี้โลกซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกเนี่ยเหมือนกับลิ้นงูที่อยู่ ในป่ามูและจะอยู่ใกล้เที่ยวใกล้เที่ยวหมูเหลือเกินก็ไม่เป็นอันตรายนะแล้วโลรนี้เนี่ยมันมันจะไม่ได้ทุกจริงๆนะถึงแม้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะ่าจะจะลาบลื่นนะแต่เราไม่แน่ใจหรอกว่าวันหน้าจะเป็นยังไงเมื่อเมื่อเร็วนี้เนี่ยนมีอันนี้ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนที่นะ อตอนเชื่อครอบคก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขและเธอก็กำลังจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าลูกใกล้จนะคลอดแม่ที่รอลูกคลอดนี่นะโหมันมีความสุขนับวันที่จะได้เห็นลูกคลอดจะคลอดคลุงนี้นะกําหนดคลอดพลุงนี้นะวันนี้เนี่ยลูกตายตายในท้องเลยแต่มาไม่ทราบ ว, ว่าป่าเพราะอะไรนะแม่นี่เสียสูญเลยนะ เสียโซเลยนะเรียกว่าไม่อยากอยู่แล้วเนะนี่ยคือโลกโลกเป็นอย่างเงี้ยคือว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้นะมันสามารถจะพลิกผันจนมาทั่งเรารับมือแบบมันไม่ไหวแต่ถ้าเรามีสตินะถ้าเรามีการปฏิบัติทางจิตวิทยเนี่ยแมนะ้มันจะพันผลปนใตยังไง เราก็พอจะเอาอยู่เอาอยู่ในที่นี้ไม่ได้ไนะเพว่าเอาสาการอยู่นะแต่เอาตัวเราอยู่เอาใจเราอยู่ไว้ไม่หวั่นไหวนะและ้จะเสียสูญไปสักพักแต่ก็ตั้งหลักได้เลยเพราะจริงๆเราไม่รู้หรอกนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราพรุ่งนี้วันข้างหน้านนะวันนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมไว้เนี่ยเราก็จะมีเราก็จะมีทุนนะที่จะสามารถรับมือ ความขันฝนวนใจในวันข้างหน้าได้ถึงแม้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราจะราบเรื่อต่ตางๆมันไม่เป็นหลัาปากประกันเลยนะว่าวันพรุ่งนี้มันจะราบเรื่อเหมือนที่เคย ผ, าคคยผ่านมาพอดีเออยิงจะคำาองลูกนะครับก็พอดีลูกเ น, เ, เ, เนี่ยเขาเขาถามูมว่าเขาเรียกเขาชอบจินตนาการแล้วก็ชอบคิด มันทำให้บางทีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาถามผมว่าข้อเนี่ยคือแบบมันบางทีจินตนาการเยอะเกินไปเนี่ย ม, มันเหนื่อแต่ทํายังไงให้เราหยุดได้ซึ่งตอนนั้นน่ยผมก็บอกว่าจริงการหยุดการหยุดเนี่ยถ้าเกิดเราผู้ใหญ่ก็ก็คือจินตนาการทําให้กลัวเขาเป็นที่มืดเลยเขาจะชอบจินตนาการคิดเขาจะไม่คิดไม่หยุดคิดเงี้ยก็อาจจะบอ่อยเ้าคิดต่อจากเขาอยู่ปัจจุ บ, บนันด้ือว่ารับถึงถึงสิบถึงห้าอะไรเขาแต่ที่เด็ก ถ้าปวเนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้หรือตอนอื่นนะ่ะจินตนาการเป็นของดีนะนะและมันจะยังดีตราบตราบใดที่เราใช้มันถ้ามันใช้เราเหมื่อไหรนเนี่ยแย่แล้วนะความคิดเนี่ยดีถ้าเราใช้มันแต่ถ้ามันใช้เราเนี่ยเราแย่เรานอนไมน่หลับเราเครียดจินตนาการถ้าเราใช้มันนี่นะโอ้มันนําพาเราไปสู่การสร้างสรรค์เยอะเลย แต่ถ้ามันใช้เรานะบางทีน้อไม่หลับกลัวผีนะกลัวสีอะไรจินตนาการขั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งเสียหายนะต้องการที่ว่าเราใช้มันหรือให้มันใช้เรานะทํางานเนี่ยดีแต่ส่วนใหญ่ไม่ทํางานนะส่วนใหญ่งานมันทําเราเห็นไหส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำงานนะส่วนใหญ่า ง, งานมันทําเราเห่นไหมคนคนคนทุกวันนี้ทุกพ้องงานเยอะเลย เพราะเราไม่ได้ทำงานเราปล่อยให้งานทําเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันต้องเข้าใจก่อนนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ปฏิเสธด้วยจินาการนะแต่มันช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะใช้มันมากกว่าปล่อยให้มันใช้เรานะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิเสธความคิดแต่ว่าทําให้เราเนี่ยเป็นนายมันไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นนายเรานะคราวนี้อามารยคิสำหรับเด็กนะ น, นะ อรตาบาคิดว่าพยายามทำให้เด็กเนี่ยเขาหันกลับหันฝึกให้เด็กเขากลับมารู้ทันความคิดและอารมณ์ของเขาซึ่งอาารย์ตาบาคิดว่าเด็กทําได้นะเมื่อกี้เห็นใครใส่เสื้อโรงเรียนจิตตเมณ น, นะนะอโรงจิตตเมณ น, นี่เขาก็มีวิธีการนะจิตตเมณเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนอนุบาล น, นะเวลาเวลาเวลาพ่อแม่มาส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยนะ ลูกหลายคนก็จะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่บางทีก็ร้องไห้บางทีก็เศร้าแต่บางคนก็ดีใจได้เจอเพื่อนอย่างแรกที่โรงเรียนให้ให้นักเรียนทํานะให้นักเรียนทําก็คือจิบการจิบการที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของตัวในเวลานั้นการนัมันไม่ใช่เป็ น, ปนคําพูดนะเพราะเด็กอา่านไม่ออก ก้ามเป็นหน้าเป็นพวกอีโมจิใช่ไหมก็คือให้เด็กเลือกว่าก้ามไหนเนี่ยที่มันสะท้อนหรือมันแสดงความรู้สึกอารมณ์ของตัวในเวลานั้นได้ชัดเจนที่สุดได้ตรงที่สุดเด็กใหม่ๆก็ทำไม่ได้แต่อนหลังเด็กก็ทำได้วิธีนี้เป็นการฝึกให้เด็กนี้กลับมาดูอารมณ์ตัวนะอันนี้เป็นเป็นเบสิกนะของสิ่งที่เรา EQ EQ เนี่ยก็คือว่าความสามารถคือการที่จะรู้ทันอารมณ์ รู้จักอารมณ์และความคิดของตัวรวมไปถึงรู้จักอารมณ์รู้ทันอารมณ์ของคนอื่นด้วยซึ่งอาจจะแสดงออกทางสีหน้าคนที่ไม่มีอ e EQ เนี่ยนะตัวเองคิดยังไงรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อันนี้ไม่จริงนะคนอื่นเขารู้สึกยังไงกับตัวเองก็ไม่รู้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะเพื่อนๆเนี่ยละอาเพราะชอบ ชอบบนชอบพูดหรือว่าจู้จี้ที่บนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะไม่สามารถสังเกตถึงความรู้สึกของเพื่อนที่แซวทางสีหน้าได้อันนี้เรียกว่าสอบตกเรื่อง EQ แล้วเป็นกันมากผู้ใหญ่นะเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงไม่รู้เดี๋ยวว่าแต่ความรู้สึกทางกายเลยนะอย่า ว, ว่าแต่ความรู้สึกทางใจให้ไม่รู้นะความรู้สึกงใจเช่นความโกรธความโกรธนี่บางคนบอกไม่รู้บางคนไม่รู้นะ เครียดยังไม่รู้เลยโกรธยังไม่รู้เลยเวลาเพื่อนทักที่เธอเธอเริ่มโกรธแล้วนะฉันโกรธที่ไหนหมอว่าฉันโกรธได้ยังไงนะอเพื่อนทักอีกกูบอกว่ากูไม่โกรธไม่ไม่กูไม่โกรธอย่างเงี้นะเยเรียกว่าไม่รู้จักอาหลงตัวเข้าใจไหมแล้วเป็นอยนางเยอะนะกลัวก็ไม่รโ้ษตัวเองกลัวแล้วเดี๋ยวนี้นะ่มีหนักกวนี้นะ เวลาเกิดความทุกข์ทางกายบอกไม่ได้ว่าทุกข์เพราะอะไรมันมีอาจารย์แพทย์คนหนึ่งนะแกก็ดูแลผู้นักศึกษาแพทย์ที่เราเลสเซนด์นะผู้เซนท์ทำงานหนักนะลักเซนด์คือแพทย์ที่มาฝึกเฉพาะทางแล้วก็จะถูกอาจารย์เนี่ยสั่งให้ไปตรวจคนไข้ไปรูปมือแทนอาจารย์แทนหมอใหญ่แล้วพวกนี้เนี่ยทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนเนี่ยไม่รู้ว่า จะมีเคสหรืออะไรมาหรือเปล่า mit, บางทีคนไข้แอดมิตบาคนไข้คนไข้เกิดอุบัติเหตุก็ต้องตื่นนอนตื่นเนี่ยมาดูแลบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยติดต่อกันหลายวันแล้วแกก็สังเกตนะั้นเดสิเดนเนี่ยหลายคนทีเดียวนะเกิดทั้งหมดเลยเนี่ยหลังจากที่อ่นหลับอ่นนอนมาหลายวันเนี่ยแล้วเกิดว่าไปดูแลคนไข้จนดึกดืน่นนะพอดูแลคนไขเ้เสร็จเสร็จธุระนะ แทนที่จะกลับไปนอนนะพวกนี้ตรงไปที่แคนทีนไปกินพราะอะไรฮะพราไม่ใช่พ่อะพวกนี้เนี่ยไม่เข้าใจสัญญาณของร่างกายสัญร่างกายบอกว่าโอ้ชันเหนื่อยแล้วฉันขอฉันต้องการพักมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นกับร่างกาย ร, ร่างกายมันบอกมันฟ้องแต่พวกนี้ไปเข้าใจว่าร่างกายมันกำลังบอกว่าฉันหิว หาใช้ฉันกินหน่อยความทุกข์เพระเหนื่อยลา้าอดนอนกับความทุกข์เพราะไม่ได้กินเนี่ยนะมันต่างกันเยอะนะแต่คนอย่างนี้แยกไม่ออกนะมันแปลกแย ก, กตัวเองขนาดนี้นะทุกกายจะแยกไม่ออกว่าทุกข์เพราะเหนื่อยต้องการนอนหรือทุกข์เพราะหิวต้องการกินมันต่างกันเยอะแต่คนอย่างนี้แยกไม่ออกครับนะอ่าคนนี้เนี่ยเอ่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฝึกให้เด็กเนี่ยเขารู้จักรู้จักเห็นรู้ทันอารมณ์งตัวเนี่ยโอ้มันช่วยก็ได้เยอะเลยเวลาเขาโกรธเนี่ยนะบางทีเราเราแค่พูดพูดให้เขารู้ว่าตอนนี้ลูกรู้สึกอย่างไรนะเด็กรู้เลยเด็กพอรู้นะธรรมชาติของของจิตนะอารมณ์เนี่ยนะพอมันถูกรู้ถูกเห็นนะมันจะหมดพิษสงมันจะฝอลงไปเลย อารมณ์เนี่ยมันมีพลังมากนะอารมณ์เนี่ยมันมีอนุภาพมากความโกรธเนี่ยแล้วก็มันก็ดื้อด้านด้วยคุณกดข่มมันยังไงเนี่ยมันไม่หายแต่มันแพ้อยู่อย่างหนึงนะก็คือมันกลัวถูกรู้ถูกเห็นได้สติกนะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเราฝึกเด็กให้เขารู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือในการแก้ทุกข์ของตัวเองได้แล้วเด็กเก่งนะเด็กนี่เขาไหว นี่ยเด็กพระอาจารย์ประสงค์ปริปุโนโลเล่านะเคยเจอเด็กคนหนึ่งนะอายุปแปดขวดเป็นผู้หญิงอายุก็พอๆกับ ล, กลูกของเราเนี่ยนะที่มาวันนี้นี่เด็กคนนี้ฉลาดนะแล้วก็เด็กก็ดูนิสัยดีด้วยท่านกคยบอกว่าหนูเป็นเด็กที่น่ารักหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วท่านก็หยิบรูกประคำออกมาจากย่ามเด็กก็เห็นเด็กร้องอู้ฮู อาจารย์ประสง์ท่านไวเลยนะท่านถามเลยหนูร้องโอโหหนูเห็นอะไรเด็กตอบหนูเห็นข้างใ น, นมันดีใจะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างใ น, นมันดีใจแล้วเด็กก็ไม่ได้ตอบว่าหนูเห็นผู้ประคําด้วยตรงนี้แหละคือการที่เด็กมีสติเห็นความคิดและอารมณ์ตัวที่หลวงพ่อคำเคียนเนี่ยพอเห็นอย่ก็เขาไปเป็นเพื่อนนี้ย คือว่าเมื่อมันมีความดีใจเกิดขึ้นก็เห็นมันอย่าเป็นผู้ดีใจอาจารย์ประสงค์ถามต่อเลยแล้วหนูทํำไงกับมันนะเดี๋ยวก็ตอบว่าหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยค่ะหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันมันเบาลงละความดีใจมันลดลงละเนี่ยคือสิ่งที่หลวงพ่ อ, ขอเขียนสอนว่าเนี่ยให้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆสองอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นหลักในการเจริญสตินะเห็นอย่าก็าไปเป็นแล้วก็รู้ซื่อๆ ผู้ใหญ่ทํำยากนะแต่เด็กเนี่ยนะแต่ขวบเนี่ยเขาทาเป็นอัตโนมัติเลยนะทำโดยโดยที่เรียกว่าไม่ต้องมีใครมาสอนนั่นแต่มาคิดว่าเด็กทำได้แมนะ้ลุกเด็กค่าขวบเนี่ยจะมาว่าทําได้สอนให้เด็กเนี่ยเขาเขาได้รู้ถึงความคิดและอารมณ์ของเขานะเวลาเด็กอ่านะเวลาเวลาเด็กอ่านะเวลาเจอหน้าเด็กหรืออ่านะเวลา เขาดีใจลองถามว่าตอนนี้หนูรู้สึกอย่างไรนะเวลาเขาซึมต้องถามว่าหนูรู้สึกงไงตอนนี้เวลาเขาเศร้าลองถามว่าดูให้เขามาสังเกตจิตใจของเขาเราจะใช้ตัวช่วยนะใช้ภาพนะว่าเนี่ยภาพไหนที่มันมันบอกความรู้สึกของหนูหรือว่าใช้สีสีไหนเลยที่มันบอกความรู้สึกของหนูตอนนี้เด็กเขาจะเริ่มเขาจะเขาจะเขาจะบอกได้ ถ้าถ้าว่าเราเราเราเราฝึกบ่อยๆนะอันเนี้ยต่อไปเนี่ยเขาจะรู้ทันความคิดและจินตนาการได้เ่อนะกี้ฟังพระอาจารย์เล่าเรื่องเด็กผู้หญิงแปดขวบก็เลยม่แน่ใจว่าตัวเองแ่บมันพลาดไปตรงไห น, นอย่างสมมติเวลาตัวเองมีอารมณ์โกรธใช่ไหมคะก็จะรู้สึกว่าอืมโกรธ มันไม่หายอะค่ะแล้วก็ไม่สามารถอยู่แบบดูมันหายไปเวลาฟังคนอื่นแล้วก็แปลกใจว่ามันหายไปได้ยังไงส่วนใหญ่ก็จะถามตัวเองต่อว่าโกรธแล้วยังไงแล้วคำตอบมันก็จะเดิมๆค่ะว่าก็อยากโกรธต่อมีอะไรป่ะแล้วมันก็โกรธต่อมันก็เลยแบบเอ๊ะพอครั้งใหม่อ่ะโกรธอืมแต่ก็จะรู้สึกว่าเวลามันก็จะทอดลงนะคะ มันมีเวลาเลือกอ่ะว่าอา้าวแล้วแล้วไงต่อมันก็ยังอยากโกรธต่ออะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะล้วของคนอื่นเวลามันหรือที่เวลาเราฟังมาเรื่อยๆว่าพอเราเราทานมานันอะมันก็จะค่อยๆหายไปหรือที่พระอาจารย์บอกว่าอารมณ์เนี่ยกลัวคนที่แบบรู้ทนันก็หรือว่าเรารู้ไม่จริงมันมีเหตุผลสองอย่างในเวลารู้ว่าโกรธแต่มันไม่หายโกรธเนี่ยอาันที่สองคือว่า สติเรายังอ่อนแต่ความกวดเรายังแรงเหมือนกับน้ําน้อยเนี่ยมันย่อมแพ้ไฟใช่ไหมไฟมากเนี่ยนะแต่น้ําน้อยเนี่ยเหมือนกับกองไฟมันลุกโผงมัลุกลุกใช่ไเราน้ําฉีดเอปืนฉีดน้ำจริงเข้าไปเนี่ยนะมันก็ฟูนิดหน่อยใช่ไหมแล้วมก็ขึ้นมาใหม่ก็คือว่าสติเรายังอ่อนสติเราไม่ต่อเนื่องถ้าเรามีมีปืนฉีดน้ําแล้วเราฉีดไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆเนี่ยหรือว่าเราไม่ใช้ปืนฉีดน้ำเราใช้ เราใช้สายเราใช้อะไรเราใช้ท่อน้ําเนี่ยค้นน้ําไปอยเลยเนี่ยมันก็จะดักเลยแต่ว่าสติของเราเหมือนกับปืนฉีดน้ําหรือว่ามันมันอ่อนนะมันสติของเรามันแค่มีไม่กี่ขณะมันไม่ต่อเนื่องสติ เ, เป็นขณะขณะนะความกลก็เป็นขณะขณะนะแต่มันเร็วมากอาจจะภายในหนึ่งวินาทีอาจจะมีประมาณสิบล้านขณะที่ต่อเนื่องกันไปแต่สติเราอ่อนนะ มันก็เลยไม่สามารถจะดับไฟได้มันดับได้ไประเดี๋ยวเดียวเพียงแค่หนึ่งวินาทีแล้วก็พุ่งขึ้นมาใหม่เพราะสติเราไม่ต่อเนื่องประการที่สองเนี่ยที่ที่ละเอียดต อ, อนกว่า น, นั้นเนี่ยก็คือว่าสติของเราเนี่ยมันไม่ใช่สติบริสุทธิ์สมมติว่าเราต้องการจะดับไฟใช่หไหมเรามีน้ำอยู่กับปองหนึ่งแต่น้ำนั้นเนี่ยมันเจอด้วยน้ำมัน เราเทน้ำลงไปสาน้ำลงไปเนี่ยมันดับไหมมันไม่ดับหรอกเพราะว่ามันมีน้ำมันเจือปนเวลาเราเวลาเ า, วาเรามีสติรู้สึกรู้ตัวเนี่ยรู้ทันความรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันมีตัวหนึงที่ซ่อนอยู่กับคนส่วนใหญ่ก็คือความไม่ชอบไม่ชอบความโกรธอยากจะอยากจะกำจัดความโกรธและทันทีที่เรารู้ตัวนะเราจะทําสิ่งต่อมาในขณะจิตต่อมาคือไปกดมันเอาไว้ เราไม่ได้แค่รู้เฉยๆนะอันนี้คีดหวดนะั่นคือรู้เฉยๆแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้เฉยๆส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่เข้าไปโกรธไปห้ามไปเดกความโกรธและธรรมชาตของความโกรธนะมันเหมือนกับทุกอารมณ์เนี่ยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยู่ไม่ใช่เฉพาะอารมณ์ความคิดด้วยคนที่เขาเขามีการทดลองนะคนที่กําังอดอาหารไอ้กงังคุมอาหารนะ เพรว่ากลัวผู้อ่นนะถ้าเกิดถ้าเกิดบอกเขาว่าคุณห้ามคิดเรื่องชอ็อกโกแลตนะคุณห้ามคิดถึงชอ็นะอกโกแลตนะเพราะว่าคนเหล่านั้นคนนั้นน่ะจะกินชอ็อกโกแลตมากเป็นพิเศษถ้าไม่บอกว่าอย่าคิดถึงชอ็อกโกแลตนะไม่มีอะไรแต่บอกว่าคุณอย่าคิดถึงชอ็นะอกโกแลตนะหัวกินใหญ่เลยนี่การทดลองการทดลองหนึ่งนะเอาอ า, าสาสัคไปนั่งตามพวกต่งตางๆนั่งคนเดียวนะ แล้วก็บอกว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะห้ามคิดถึงหมีขาวถ้าคุณคิดถึงหมีขาวอะไรคุณกดเกิ่งเลยนะไม่ทลายเลยกรีมแต่งหนดเลยยิ่งห้ามคิดถึงหมีขาวมก็ยิ่งคิดยิ่งห้ามนึกถึงชักกรรไกรก็ยิ่งนึกแล้วคุณยิ่งห้ามคุณยิ่งคุณกดความโกรธมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งยิ่งผุดยิ่งโผล่มันกับว่ายิ่งห้ามก็ยิ่งมันก็ยิ่งยั่วครเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มันมีความรู้สึกเป็นลบต่อความโกรธ อยาจะไลยกดของความโกรธและลงไปอกดองความโกรธไปแล้วเนี่ยมันกลับทำให้ความโกรธเนี่ยมันทวีมากขึ้นมันมีหลักการเป็น บ, บนัตทอยู่อย่างหนึ่งนะดีมากสิ่งใดที่เธอผักใสจะคงอยู่สิ่งใดที่เธอตระหนักรู้จะหายไป เ, ยเคยเป็นคนถามหลวง ป, ปู่ดูลัตุโลนะซึ่งไปรู้สึกดูลแรกๆหลวง ป, ปู่มัน่นเขชื่อท่านเป็นพระอรหันต์ถามว่าหลวงปูท่ทาไงจะแต่ความโกรธให้ขาด นะท่านบอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันแล้วมันจะดับไปเองนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะที่คุณกล้าเนื้องคุณเนี่ยนะนอกจากสติอ่อนแล้วเนี่ยหรือว่าสติไม่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยอัตมาก็เดา ว, ว่าคงจะมีความสึกไม่ชอบความโกรธตอนนั้นเนี่ยคุณไม่ใช่รู้เฉยๆคุณรู้แล้วคุณอยากจะเข้าไปไปกดคมมันอยากจะเข้าไปตัดให้ขาดและตรงนั้นแหะคือปัญหาพยายาม วางใจเป็นกลางต่อความโกรธให้ได้นะแล้วคุณจะพบว่าความโตรธเนี่ยมันสงบความโกรธเนี่ยมันมันอาตมาเคยพูดกัแล้วความโกรธมันดื้อได้คุณยิ่งไปกดข่มมันนะมันยิ่งสู้นะแต่สิ่งเดียวที่มันแพ้ที่จะมันอยู่สองสิ่งที่มันแพ้นะแต่สิ่งหนึ่งเอาสิ่งแรกก่อนคือมีสติรู้ทันมัน อีกอันหนึ่งที่มันที่มันแพ้คือความเมตตาความเมตตาแถมเมตตาให้มันก็จะหายโกรธนะงั้นตัสติเนี่ยมันเป็นสาคัญเพราะว่ามันใช้ได้กับทุกอารมณ์ไม่ใช่ว่าความโกรธความเศร้าวความดีใจความเซงนะมันก็ใช้ได้หมดแต่เมตตาไม่ใช้ได้กับความโกรธอย่างเดียวนะมันใช้กับอารมณ์อื่นไม่ค่อได้เพราะถ้าึกเอาไว้ฝึกสติฝึกความสึกตัวไว้เนี่ยมันจะช่วย แต่ขอเชื่อเถอะว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยได้แต่ว่าสติต้องทั้งมันให้มันต่อเนื่องมากขึ้นและต้องเป็นสติที่บริสุทธิ์อย่าไปเจอทุกข์กิเลสกิเลสที่อยากไปกดข่มมันญญาอาจารย์อยากฟังก่อนนะพิธาสมมตว่าเมื่อกีนะคะเรามีอารมณ์เป็นเหมือนกันค่ะแล้ว ม, มันหลุดไม่ได้อะค่ะก็เลยใช้วิธีการหายใจให้รู้สึกตัวแทนแล้วมันก็ดีขึ้อนอย่างนี้ทำถูกไหมคะถูกถูกอันนี้ก็คือการกลับมารู้กายกลับมารู้กายนะสติปัญญามันมีสองอย่างใหญ่ๆคือรู้รู้รจารู้กายกับรู้ใจนะไม่ใช่ว่าความโกรธความกลัวก็เหมือนกันนะความเศร้าก็เหมือนกัน<ม>รว้วันะ้ความตื่นเต้นด้วยเราสังเกตอาการที่กายเมื่อเราเกิดความโกวธกายเป็นยังไง กายเป็นยังไงร้อนร้อนยังอะไรอีกใจเต้นแรงแล้วอะไรอีกปวดหัวปวดหัวอันนี้แรงนะแล้วอะไรอีกนะมือสั่นปากสั่นบางทีก็ไม่ไม่ปากแล้วก็การใจในใจลมหายใจถี่สั้นใช่ไหมบางทีเกรงไม้เกรงมือคุณลองสังเกตนะเวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาลองสังเกตกับอวิธีกาย สิ่งที่มันช่วยอย่างนี้คือมันทำให้คุณวางคําพูดและการกระทําที่ทําให้คุณโกรธใช่ไหมาถ้าคุณยังนึกถึงเนี่ยคุณก็ยิ่งโกรธเช่นถ้าเขาว่าคุณเขาด่าคุณหรือเขาทาอะไรที่มันรับไม่ได้ถ้าแต่คุณยังไปจดจ่ออนะคุณก็ยิ่งโกรธแต่การที่คุณดึงติดกับมารับรู้กายเนี่ยนะข้อเดีย่หนึ่งคือมันทําให้คุณวางไอ้สิ่งที่เป็นเป็นสิ่งเรายัยให้คุณโกรธนะและสอง มันทําให้คุณเนี่ยกลับมามีสตินะหรือว่าคุณจะใช้สมาธิก็ได้สมาธิคือคุณหายใจเข้าลึกๆหายใจายาวๆอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยใช้สติดูกายอันนี้คุณใช้สมาธิคือคุณเอาจิตไปกําหนดที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจายาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจายาวๆคุณนับหนึ่งไปด้วยนับสองไปด้วยก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าดับความโกรธด้วยสมาธิ มันคล้ายสตินะแต่คนละอันเพราะว่าอันนี้สมาสมาธิมันคือการที่การที่จิตแน่วแน่จิตแน่วแน่อยู่กับอยู่กับลมหายใจซึ่งใหม่ๆจะทําไม่ได้นะเพราะจิตมันจะแวดไปมันจะวว บ, บไปยังคําพูดการกระทาที่ ท, ที่ที่คุณโกรธแต่ถ้าคุณทำไปบ่อยเนะี่ยจิตคุณจะแน่วแน่พอจะคุณแน่ ว, แ น, วแน่อยู่กับลมหายใจนะมันจะมันจะวางความโกรธไปเลยนะหรือไม่เช่นนั้นก็มีสติมาดูกายแต่ที่ว่า ใช้ได้กับใช้ได้กับคนที่กลัวก็ได้นะกลัวนะมีเด็กคนหนึ่งนะแกเกดกลัวเด็กที่สักสี่ห้าสามสี่ขวบเกิกลัวกลัวโป๊กลัวโป๊ ล, ลงลงเรือนะนะเวลาจะลงเรือข้ามฟ้าเนี่ยพ่อจะอุ้มลูกเนี่ยลงโป๊เพื่อจะขึ้นเรือเด็กก็จะดิ้นเด็กก็จะร้องมวยวายนะพ่อก็พยายามให้เหตุผล บอกกับคนว่าลูกไม่ต้องกลัวนะพ่ออยู่กับลูกพ่อกอดลูกให้แน่นลูกปลอดภยัยเหตุผลไม่เคยช่วยอะไรได้เลยนะกับความโกรธและความกลัวนะรวมทั้งความอยากด้วยเ <laughs> พราะมันคนละคนละลำหน้า <laughs> เหตุผลนี่มันอยู่ตรงนี้ <laughs> เหตุผลไม่ใช่อะไรกับตรงนี้แต่ความกลัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนกับคุณเหมือนกับคุณจะใช้ใช้เหมือนกับเอ ตาเนี่ยเอาไว้รับรู้ภาพคุณส่งเสียงยังไงเนี่ยตามันไม่เห็นหรอกมันเห็นแต่ภาพมันไม่สามารถจะเห็นเสียงได้ใช่ไหมไอ้ใจเราเนี่ยมันก็จะรับรู้เฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์แต่ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลมันช่วยได้บ้างแต่ไม่มากแล้วแล้วพ่อเนี้ยแกก็กลุ้มใจไม่ทำไงแล้วแกก็ไปปรึกษาเนี่ยเด็กคนที่เขียนซื้อเล้วเนี่ยที่จะา ม, มาแจากโรงเรียนพ่อแม่ชื่ออังคณาเนี่ยนะอ่า คณนนามารังสรรค์ครูนาเนี่ยครูนาเนี่ยแกแกเคยใช้สติเนี่ยรับมือกับลูกซึ่งโกรธแลโกรธมากเลยนะรายละเอียดไปอ่านไปอ่านหนังสือได้นะแล้วก็แกก็ถามลูกว่าลูกโกรธใช่ไหมใช่ลูกโกรธแค่ไหนโกรธเท่านี้โกรธเท่านี้โกรธเท่านี้นะแกได้ฟังแกก็เกิดความคิดขึ้นมาเอ๊ะมันจะใช้ได้ผลกับลูกของแกไหมแต่ว่าแกก็ไปประยุกนะ แกก็ทดลองเอาลกอุ้มลูกเนี่ยไปที่โปะนะลูกก็เหมือนเดิมนะอาการแพนอีกเลยแต่แทนที่แกจะบอกลูกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวแกบอกว่าลูกตอนนี้เป็นยังไงกลัวมันกลัวเป็นยังไงเนี่ยหัวใจเป็นยังไงหัวใจมันเต้นเร็วแลระลมหายใจเป็นยังไงหะลมหายใจมันมันหายใจทีมันหายใจสั้นเด็กก็ตอบตามภาษาเด็กนะเนี่ยจมาพูดแบบเป็นภาษาผู้ใหญ่แล้วก็ ยังไงโอมันเกรงมันปวดไอ้มันแน่นเลยเด็กก็พ่อก็ายามถามลูกนะว่าอาการของลูกเนี่ยทางกายเป็นยังไงส็จแล้วก็ถามเรื่องใจใจเป็นยังไงใจมันกลัวใจมันกลัวใจมันร้อนรุ่มอะไรนี่นะสักพักเด็กก็นิ่งแล้วจุดๆเด็กก็ปล่อยมือพ่อแล้วก็ลงมาวิ่งเล่นโปเลยความกลัวมันหายเลยสิ่งที่ทําสิ่งที่พ่อทำคือแบบพ่อทำก็คือทําให้ลูกมารู้กายรู้ใจ เรื่องก็คือการทำให้เกิดสติขึ้นมาพอสติมาเนี่ยมันก็อย่างที่บอกความกลัวเนี่ยนะเช่นเด่ยวกับลมอื่นๆมนมันกลัวสติอย่างมันกลัวการถูกดูทุกเห็นพอมีสติปุ๊บเนี่มันสงบวิธีนี้ใช้กับเด็กได้ดีแต่ใช้กับผู้ใหญ่จะไม่ได้ผลเพราะผู้ใหญ่จะมีเหตุผลอ้างผู้ใหญ่ฉลาดมันจะอ้างว่ากูต้องกลัวเด้นนะเนี่ยต้องกลัวเด้อ้างเหตุผลเมื่อเดือนที่แล้วมันมีมันมีน้ําท่วมมันมีเรือล่มจมลงไปนะ อาไปเยอะเนี่ยคือผู้ใหญ่มันจะมีมันจะถูกอารมณ์เนี่ยความกลัวปั่นให้หาเหตุผลอารมณ์เนี่ยทุกอารมณ์เนี่ยพอมันคลองใจเราได้นะมันจะบงการให้เรากลายเป็นองค์คณักติทักมันมันจะสั่งให้เราเนี่ยพิทักษ์ถ้าเป็นความกลัวมันจะสั่งให้เราเนี่ยกลัวด้วยการสานาเหตุผลว่าทําไมต้องกลัวถ้าเป็นความโกรธมันจะสานาเหตุผลมันจะสั่งให้เราสานาเหตุผลเพื่อจะอธิบายว่าทำไมต้องโกรธถ้าเราเศร้า มันจะสังหารมันจะสั่นมันจะบงการให้เราเนี่ยสั่นให้ผลมาว่าทําไมต้องเศร้าทำไมต้องร้องโหมร้องไห้ก็เพราะรักเขาถึงร้องร้องไห้ถ้าไม่ร้องไห้แสดงว่าไม่รักเอ้นถ้าเราถ้าเรารักเขาเราต้องเศร้าซึมบ่อยๆต้องเศร้าสึมนานๆถึงแสดงว่าเรารักเขามันให้ผลไงเราต้องโกรธเขาเด็ดเพราะว่าถ้าไม่โกรเนี่ยนะมันได้ใจนะต้องจัดการกับมันนะต้องกลัวไม่ต้องดามันหรือที่คุณพูดอะไรนะจะจะโกรธสย่างมีอะไรไหม บางทีไม่มีเหผลมันก็สั่งเราว่าอมีอะไรบ่าจะโกรธมีอะไรไหมอู้มันสั่งเรานะมันทำให้เรากลายเป็นองค์ลักที่ทั้งเรานะแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยนะมันจะมันจะล่าถอยไปเลยเพราะฉนะนั้นเนี่ยลองลองลองลองลอ ง, ลองฝึกสตินะช่วยให้ลูกเรามีสติ เวลาลูกเราไปกินอาหารเวลาลูกเราเล่นเล่นอะไรก็ตามไปดูหนังลองถามว่าลูกเราว่าเออเป็นยังไงบ้างรู้สึก อ, อย่างไรเล่นแล้วรู้สึก อ, อย่างไรนะแต่อย่าถามทีนะเดี๋ยวลูกก็รำคาญดูหนังเ ส, สอองร็จรู้สึกยังไงนะนะให้เขากลับมาดูใจนะแล้วเขาจะพัฒนาทักษะตรงนี้ได้ไวขึ้น ดูกายก็ได้ดูกายก็ได้ฝึกให้เข้ามาดูกายเนช่วยได้นะอยอะเมื่อกี้จะถาม ่อ า, จ, า, าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเวลาปวดเนี่ยมันจะปวดทั้งกายปวดทั้งใจแต่ส่วนใหญมองไม่เห็นไม่รับรู้ใจก็ปวดด้วยแต่พอโยมไปสวดนมนต์ไปนั่งสมาธิหรือแม่กระังไปทําบุญนะมันช่วยทําให้ความปวดใจหรือทุกข์ใจทุเราลงและพอทุเลาลงแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าความปวดทั้งมดทั้งทั้งก้อนเนี่ยมันเบาลง ความทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นตัวทำให้ความทุกข์กายเนี่ยเพิ่มเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความกลัวเนี่ยมันทำให้ความทุกข์กายเนี่ยคูณสองคูณสามเขาพิการพบว่าคนเราถ้ากลัวนะเข็มฉีดยานนะเวลาโดนเข็มจิ้มเข้าไปเนี่ยจะเจ็บเป็นสามเท่าของคนที่ไม่กลัวเข็มอันนี้ไม่ทราบเขาทดลองเขาพิสูจน์ยัยงไงนะแต่ว่ามันน่าสนใจว่า ความกลัวเนี่ยมันทําให้ความปวดคูณสามนะแต่ถ้าไม่กลัวถ้าไม่ปวดความปวดก็มีแค่หนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ก็มีคนนะใช้ใช้ใช้สตินี่ไหละนะมารับเบือความตัวไดนะ้มันมีตัวอย่างที่น่าทึ่งมากนะหลายคนที่เคยกลัวเข็มจนกระทั่งเคยโดนเข็มเจาะส้นหลังเนี่ยนะจนจนช็อกไปเลยมันเรียกว่ากลัวนะ เห็นเข็มนี่ช็อกันเลยแล้วต่หลังเนี่ยนะมาเจอหมอดีนะคุณหมอที่นี่ก็เสียชีวิตไปแล้วหมอหมอแต่ก็ามาลืมชื่อนะอ่าเด็กคนนี้เนี่ยแกแกกลัวเข็มมากนะเห็นเข็มเป็ะแกแกบางทีแกช็อกจะเป็นลมหรือบางทีแกก็กรีด๊ดร้องจะเป็นลมสุมาลีหมอสุมารีหมอสุมาลีเป็นหมอ ผู้ชายาตินั้นลกตายเสียชีวิตไปแล้วหมอสมานิก็พาให้เด็กเนี่ยเข้ามารู้เข้ามามีสติดูดูความกลัวของตัวนะแล้วตอนนั้นก็ชวนไปไปเจริญสติไปทำสมาไปเจริญสติจนถ้าเด็กนี้หายกลัวไปเลยนะเด็กแกเป็นโรคภูมิแพ้โรคภูมิ่วงถึงวันน่ต้องเปลี่ยนไตเพราะว่าแกแพ้แกแพ้ แกถ้ายาลระงับปวดแกเจียนผ่าไม่ได้แต่แกบอกว่าไม่เป็นไรผ่าเลยหมอขอผ่าลาสองเมตรนะแล้วแกก็กินผาลาแล้วแกก็ทําสมาธิจนหลับไปแล้วก็ผ่าได้นะนัเป็นเคสเ ป, เ, ปเป็นเรื่องเป็นคลาสสิกมากเลยว่าโอ้จาคนที่กลัวเข็มจนช็อกจนเป็นลมนะกรี๊ดร้องเป็นลมนะแล้ววันหนึ่งก็ผ่าผ่าตายได้เนะี่ย โดยที่ไม่ไม่ต้องใช้ยางลงรับปวดเลยนะอันนี้ก็เป็นผลของของการใช้สติและสมาธิผสมกันพูดถึงการมีสติหน้าธรรมาก็ตบท้ายอย่างเดียว ก, กันนะคือมเมื่อกี้ธรรมาก็บอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะความกลัวความกลัวนะความเศร้าที่มันมันกลัวมันยอมแพ้การถูกรู้ถูกเห็นความอยากก็เหมือนกันแล้วเนี่ยต้องเคยไลฟฟังมาละ เพื่อตอมาเนี่ยสักสิบหปีก่อนเนี่ยเขาเลาว่าลูกสาวยี่สิบสองวันนึงกลับจากโรงเรียนนะก็มาบอกแม่ว่าไปเห็นของเล่นที่ร้านตอนเดินกลับบ้านหนูอยากได้มากเลยหนูเด็กเนี่ยอยากได้มากจริงๆเลยสีหน้าท่าทางบอกเลยมันอะไรเนีอยลูกมันเป็นไมโครโฟนนะสมัยก่อนนะสิปีที่แล้วคนยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ย สุดยอดของเด็กก็คือเนี่ยไมโครโฟนโกดแล้วมันร้องเพลงได้หรอเท่าไหร่400บาทครอบครัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจ ะ, ะประหยัดเรื่องการใช้ใจ่ายเงินสำหรับเขาเนี่ยสหรับเด็กเนี่ย400บาทถือว่าแพงนะนี่โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะทุกวันนี้มาถึงวันนี้นี่ไอพวกของวันนี้เด็กมันไม่สนใจลใเด็กสนใจไอพอตไอไอแหรือว่าสมาร์ทโฟน แม่เนี่นะจะทําห้งานเด็กอยากได้ในของที่แพงแม่ส่วนใหญ่ก็จะทำสองอย่างไม่อย่างใดอย่างหนึ่งคือว่าหนึ่งซื้อให้ลูกสองไม่ให้แต่ว่าแม่คนนี้นี่แกแกก็เข้าใจเด็กนะแล้วก็รู้วิธีการที่จะให้การศึกษากับเด็กก็บอกลูกว่าถ้าลูกอยากได้ก็ก็ก็ได้นะแต่มีเงื่อนไขสองข้อนะก็คือหนึ่งเนี่ย แม่จะหาเงินลูกวันละครึ่งหนึ่งเก็บใสก่กระปุกจนกระทั่งครบส0 0ร้อยสองทุกวันเนี่ยขณะที่ยังไม่ได้ของชิ้นนั้นมาเนี่ยให้ลูกแวะไปที่ร้านนั้นไปดูไมโครโฟนนั้นน่แล้วก็ดูสังเกตใจไปด้วยสังเกตความอยากไปด้วยนะทํนี้ทุกวันนะ ล, ลูกลูกรับปากนะมันมีข้อตกลงแม่ไม่ห้ามนะแต่ว่าให้ลูกเลือกลูกก็เลือกแบบเนี้ย แล้วลูกก็ทุกวันเนี่ยลูกก็ก่อนกลับบ้านลูกก็ไปแวะดูของเล่นเนี่ยแล้วก็ทำตามที่แม่บอกก็สังเกตความรู้สึกไปด้วยความอยากพอถึงวันที่สี่นะแกบอกแม่แม่ไม่เอาแล้วทำไมเบือบ่อเนบะื่อแล้วเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าไปซื้อยอย่างอื่นดีกว่าเด็กเลือกเองเด็กเลิกเองเพราะอะไรพ่อเด็ก มีความอยากใช่ไหมแต่พอไปสังเกตความอยากบ่อยๆเนะี่ยมันก็ฝ่อนะ เ, อเด็กได้เลยล้วยนะโอ้มันของพวกนี้นี่มันไม่แน่นอนนะความอยากเนี่ยวันนี้อยากอีกสามวันก็อาจจะเปลี่ยนไมก็ได้นะก็ฝากไว้นะพอเดี๋ยวนี้ลูกของเราเนี่ยหลายของเราเนี่ยความอยากมันเยอะเหลือเกินนะแล้วถ้าเราตามยอมยอมตามความอยากก็ไปเรื่อยๆเนี่ยนะ ก็จะแย่ลงก็ได้แต่ถ้าเราห้ามเขามันก็ไม่ได้ช่วยเขาลองทำให้เขาเนีได้รู้จักเข้าทานความอยากของตัวแล้วเ่าาจะเลือกที่จะอะ่วางความอยากลงก็ได้ก็เอ่อ